ในช่วงของการฟังธรรมที่เราฟังอยู่เป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเราฟังธรรมนั้นท่านฟังเข้าใจก็มีไม่เข้าใจก็มีส่วนที่ยังไม่เข้าใจถ้าเราฟังบ่อยๆฟังซ้ำๆมันก็เข้าใจได้บางคนฟังซ้ำๆยิ่งงงนะท่านผู้ฟังวันนี้เลยจะมาทำการพูดคุยในเรื่องที่ว่าเอ๊ะเราฟังอย่างไรปฏิบัติอย่างไร น่ะการแบบฝึกของเราถึงจะก้าวหน้าได้นะไม่งงไม่ถอยหลังหลงเนี่ยคือเรื่องๆย้ำๆเนี่ยๆมันจะมีความคล่องแคล่วชํานาญมากซ้ําๆอยู่นั่นน่ะ ทำซ้ำๆแล้วมันถึงจะจะถูกขึ้นมาได้นำพระเจ้าพูดถึง เนี่ยหรือว่าไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามเนี่ยไอ้ที่ให้ 5 นาทีเรา เมื่อมีการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็น 2-3 นาทีไม่ถึงนาทีด้วยซ้ําน่ะเพิ่มเช่นเราไปคิด นะทําให้ส่ง 2 นาทีคุณทําเพิ่มได้มั้ยทําซ้ําตรงเราเห็นลมหายใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณ ดาวินาทีนั้นเนี่ยเอาแคสเซียวินาทีเดียวพอนั้นสิคุณอยู่กันหลมายใจละอันนั้นดีละอ่าเราทํา ให้มันเป็นปกติอย่างงี้แต่สมมุติว่าคุณตั้งความปกติไว้ได้เออวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งได้ 6 อ๋อ 6 อ้าว 6 ให้ 6 ได้ นะมันก็ค่อยๆลดลงสิ่งที่เป็นอกุศลก็ค่อยลดลงทีละน้อยนะสิ่งที่เป็นกุศลก็ค่อยเพิ่มมากขึ้นเนี่ย นะ 2-3 นาทีก็ดีแล้วนะเราตั้งจิต 28 นาทีไม่สงบ 2 นาทีอย่างงี้ 28 นาทีนั้นเอ้า 28 นาทีนั้นชนะจะไม่เอาก็ได้ยิ่งผิด 2 นาทีไหน 30 นาที 2 นาที นะแต่เรานั่งเอ่อเราปฏิบัตินานเร็วได้ 2 นาทีอ้าวดีแล้วคุณปฏิบัติในชั่วโมง 30 นาทีที่แค่ 2 นาทีดีแล้ว 2 นาทีนี่ 28 นาทีที่มันไม่ดี ในกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเรามีกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแม้น้อยก็ตามมากก็ตามเราพอใจตรงนั้นเราทําความพอใจให้เกิดขึ้นคือพอใจในการทําได้ตรงนั้นนะพอใจในการทําได้ตรงนั้นพอ แล้วเมื่อเดินอีกทําไปนะจิตใจเรามีสติมักขึ้นไอ้สติไอ้สมาธินี่แหละที่มันเกิดขึ้นมันก็ยังเป็นทองที่เปราะอยู่ นะมีผสมอยู่ในในเนื้อทองเนื้อทองมันก็ไม่ร่วนนะไม่เข้าไปนะ ก็จะไม่สวยล่ะก็จะมันไม่สวยล่ะแต่ถ้าไม่เผาให้ความร้อนได้ เป็นทองคําในเช่นเดียวกันกับจิตนะพระพุทธเจ้าเปรียบ ตะบะนี่คือความร้อนน่ะนะเรียกว่ามะเพาจิตล้อมจิตคือจะเผาจิตของเราล้อมจิตของเราเนี่ยด้วยราคะโทสะโมหะอ้าวเดียว ด้วยสติด้วยสมาธินะเราพออย่างเงี้ยไอ้ช่วงเวลาบางทีบางทีตอนที่เราทํามัน นะเป่าความรางเข้าไปนะเป่าถ้าๆคือว่าเรานะนะนะ 2 นาทีนั้นจุดที่ ดีได้ทําได้ทองคํานั้นก็จะเป็นทองคําที่บริสุทธิ์และมีเนื้อทองคํา จะใช้คิดอ่านแก้ปัญหาการงานที่บ้านก็ได้ใช้ <c oughs> เราใช้ลมหายใจของเรานี่แหละเนี่ยเป็นเครื่องสันดาบเครื่องสังเกตนะให้จิตๆแล้วมันคือหูจมูกลิ้นกาย นะความโกรธต่างๆที่อยู่ในใจของเราเนี่ยบางทีมันฟูฮึมด้วยสมาธิ อปัญญาน่ะเผามันด้วยสติแล้วก็จะทําก็คือหมายความว่าจิตของเรานั้นก็จะไม่ไปคล้องในอารมณ์ไปพัว และสิ่งข้ออะไรที่ไม่ใช่จิตออกไปเนี่ยจิตให้เป็นจิตประพัสสอน 106 puredhgamma.com/106 เดี๋ยวสามารถฝาก 106 ได้ในวัน